พัฒนาคนได้ความสุขก็พัฒนาด้วยมรรคาแห่งความสุขด้วยความสุขสู่ความเกษมเจ้าชายโพธิราชกุมารราชาโอรสของพระเจ้าอุเทนแห่งพระนครโกสัมพีกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีความเห็นว่าคนจะถึงความสุขด้วยความสุขหาได้ไม่ ความสุขต้องลุกถึงได้ด้วยความทุกข์ยากพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าครั้งก่อนโน้นเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็เคยคิดอย่างนั้นต่อมาพระองค์เสด็จออกพนวดเที่ยวค้นคว้าว่าอะไรดีทรงสแสวงหาสันติวรบทได้ทดลองวิธีการต่างๆจนกระทั่งได้ทรงบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายมากมายมีความทุกข์ยากแสนสาหัสรวมแล้วยาวนานถึงหกปี ในที่สุดทรงสรุปได้ว่านั่นไม่ใช่ทางจึงทรงละเลิกและเข้าสู่ทางสายกลางดำเนินมัชิมาปฏิปทาที่มีความสุขอย่างบริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้โดยทรงค้นพบอริย ส, สัจสีที่เป็นความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติในจุลโคปาลสูตร พระพุทธเจ้าทรงอธิบายการทำหน้าที่พระศาสดาของพระองค์แล้วตรัสสรุปความเป็นคถาลงท้ายพระดำรัสสอนของพระศาสดาว่าปาโมชะพระหุลาหุทเขมังปะเททะพิกขโวและว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมดพึงปรารถนาความเกษมเถิด ปาโมจฉพหูลานี้ถือตามพระไตรปิฎกฉบับโบราณและฉบับอักษรพมา่าแต่ของฉบับสยามรัฐเป็นปามมจฉพหูลาคำตรัสนี้ถือได้ว่าเป็นพระดำรัสสั่งด้วยพระไทยปรารถนาดีมีพระมหากรุณาแก่บรรดาผู้ดำเนินมรรคคาที่พระองค์ทรงสอนไว้ที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตาม ก็คือมรกคาชีวิตหรือการดําเนินชีวิตอย่างที่มีการแนะนำกันว่าให้ทำงานด้วยความสุขเรียนอย่างมีความสุขเป็นต้นก็รวมอยู่ในการดําเนินมรคค า, าเพียงแต่อาจต้องถามแทรกเล็กน้อยที่ว่าสุขนั้นเป็นความสุขที่เป็นไปเองด้วยปัจจัยภายนอกหรือเป็นความสุขแบบพึ่งพาต้องอาศัยขึ้นต่อปัจจัยล่อเร้าจากข้างนอก ความสุขที่จริงแท้เป็นอิสระของตัวเองเริ่มต้นก็เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยภายในที่ตนเองสร้างขึ้นมาและให้คงอยู่มีอยู่เป็นไปได้ตามปรารถนามัคคาที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานนั้นเป็นทางชีวิตของความสุขที่เป็นอิสระและยั่งยืนไม่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกตั้งแต่ความสุขอิสระโดยสัมผัสจนเป็นความสุขล้วนที่ไร้ทุกข์ เป็นสุขที่เป็นอิสระสมบูรณ์สิ้นเชิงในพุทธดำรัสตรัสสอนให้เป็นผู้มากด้วยปราโมทพึงปรารถนาความเกษมนั้นก็คือภาวะจิตประจำตัวที่มีตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินเดินทางไปจนตลอดถึงจุดหมายคือสมบูรณ์ปราโมทนั้นท่านให้มีไว้ประจำตัวเป็นสภาพพื้นจิตไม่แต่ที่นี้ ในที่อื่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเน้นไว้เช่นว่าผู้มากด้วยปราโมจาทจะทําทุกข์ให้หมดสิ้นไปหรือตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทพึงลุถึงสันตบทอันเป็นสุขซึ่งสงบสังขารข้อว่าผู้มากด้วยปราโมจาทจะทําทุกข์ให้หมดสิ้นไปเป็นข้อแรกในธรรมะชุดห้าคือปราโมทปิติ สมธิสุขและสมาธิซึ่งเป็นปัจจัยส่งต่อกันอันแสดงถึงความก้าวหน้าในธรรมหรือความได้ผลของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสไวมากเป็นสภาพจิตที่ดีที่เจริญยิ่งควรเอาใจใส่ทำให้ได้อย่างไรก็ดีปราโมทมิใช่เป็นความดีในตัวของมันเองแต่เป็นสภาวะที่เอื้อที่เกื้อหนุนส่งเสริมจึงพึงระวังรู้ทันด้วย เพราะอาจเกิดกับพวกอกุศลได้จนรา่าเริงยินดีที่ได้ยินได้เห็นความวิบัติของศัตรูแม้จะเป็นภาวะจิตที่ดีต่อชีวิตจิตใจแต่เป็นหนุนสถานการณ์ที่ไม่ดีได้ด้วยปราโมทคือความรา่าเริงแจ่มใสสดชื่นเบิกบานใจเป็นภาวะจิตที่ปลอดโปร่งโลง่งคล่องเบาสบายไม่มีความคุนข้องหมองใจไร้ความขุนมัวเศร้าหมอง ไม่มีความขัดเคืองขุนใจไม่ติดข้องอยู่กับความอยากได้โน่นจะเอานี่ไม่ซึมเศร้าเหงาหงอยไม่หดหูท้อแท้ไม่ฟุ้งซ่านหรือร้อนรนกระวนกระวายไม่กลุ้มไม่กังวลไม่มัวลังเลเป็นสภาพจิตที่ไม่กินพลังงานไม่เผาผลาญตัวเปิดกว้างมีพลังมาเองปราโมชเป็นภาวะจิตต้นทางสู่สมาธิ หรือทำให้จิตพร้อมที่จะเป็นสมาธิและทำให้ใจมีกำลังทำให้จิตปลอดโปร่งโล่งคล่องเหมาะหรือสะดวกแก่การทำงานของปัญญาพร้อมกับการมีจิตปราโมทก็ตรัสบอกให้ปรารถนาความเกษมนี่คือบนพื้นจิตที่โล่งคล่องก็มองไปถึงจุดหมายความเกษมคืออย่างไร พึงเข้าใจด้วยอุปมาท่านเปรียบเหมือนคนว่ายน้ำจะข้ามฟังหรือเรือแตกจะว่ายน้ำไปหาฟังให้พ้นภัยถึงจะดีใจว่าตนว่ายน้ำเก่งและมีกำลังแข็งแรงก็ยังะวงถึงการรักษาตัวให้อยู่รอดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวและระยะของการเวลาตราบใดยังว่ายอยู่ในน้ำก็ไม่โล่งใจไม่ปลอดภัยจริง อีกทั้งไม่ยังว่ายน้ำอยู่ก็ยากที่จะทำกิจอะไรได้อีกแต่พอขึ้นฝั่งได้ก็โล่งใจขึ้นไปยืนบนฝั่งแม่น้ำทอดสายตามองดูพื้นน้ำและกระแสทานแล้วมองออกไปกว้างไกลรอบตัวเห็นทุ่งโล่งดงไม้ทิวเขามองขึ้นไปเห็นท้องฟ้าโล่งแจ่มใสสูดหายใจได้อากาศอิ่มกายชื่นใจจะทำอะไรอะไรก็เป็นไทยแก่ตัว ที่จะทำให้ได้ผลดีเต็มที่ตามปรารถนาภาวะที่ขึ้นจากน้ำได้ขึ้นยืนบนฝั่งอย่างปลอดภัยใจโล่งสดชื่นเป็นอิสระไร้กังวลอย่างนี้เรียกว่าความเกษมท่านให้ปรารถนาภาวะชีวิตจิตใจที่เป็นความเกษมอย่างนี้ที่ขยายออกไปก็เป็นความเกษมของสังคมและของโลกนี้ความเกษมที่พูดมานี้ เป็นชื่อที่แสดงลักษณะอย่างหนึ่งของนิพพานนั่นเองภาวะแห่งความเกษมนี้จึงช่วยให้เข้าใจความหมายของนิพพานด้วยทีนี้ที่ตรัสบอกให้ปรารถนานั้นความปรารถนาในกรณีอย่างนี้เป็นความปรารถนาต่อสภาวะที่หมดจดดีงามเป็นกุศลเรียกว่าเป็นชันทะเรียกยาวๆก็ได้ว่ากุศลละชันทะ หรือธรรมฉันทะเป็นความอยากความปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จให้ลุถึงสภาวะดีงามที่เรียกว่าความเกษมนั้นเป็นความอยากที่เป็นแรงขับดันเริ่มต้นในการที่จะเพียรพยายามทําการให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จถึงจุดหมายเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากัตตุกรรมะยตาฉันทะ ท่านจึงย้ำนักให้มีฉันทะคือความอยากความพอใจไฟปรารถนาอันนี้ที่จะนำใจให้เริ่มทำการและเดินหน้าก้าวไปในความเพียรพยายามตลอดมรรคาความอยากที่เรียกว่าฉันทะนี้เป็นเรี่ยวแรงกําลังของจิตใจเองตรงข้ามกับตัณหาซึ่งเป็นเรี่ยวแรงแบบเงื่อนไขที่ใช้พลังงานของชีวิตให้สิ้นเปลือง คนที่ทำงานทำการด้วยชันทะจะมีเรยวแรงกำลังในตัวเองไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจะทำงานทำการอะไรก็เป็นการสร้างสารรค์ทั้งนั้นทำให้เป็นเรื่องง่ายดายที่จะทำงานด้วยความสุขจะเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขและก็คืออยู่ในวิถีแห่งความเกษมนั่นเองเมื่อทำกิจทำการทำอะไรอะไรที่ดีๆโดยมีชันทะ ใจก็มีกํำลังและทำด้วยความสุขดังที่ว่าพอทำก้าวหน้าไปใจก็เกิดมีปราโมทพอปราโมทมาก็ยิ่งมีกําลังแล้วก็ยิ่งทำกิจทําการนั้นด้วยความสุขท่านจึงให้มีปราโมทเป็นภาวะพื้นจิตและพร้อมกันนั้นก็มีฉันทะเป็นแรงเริ่มทาการที่จะขับดันความเพียรพยายาม โดยมีปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิตรหนักรู้ถึงความเกษมที่เป็นจุดหมายคนก็ก้าวไปในมรกาตลอดถึงจุดหมายด้วยปราโมทพร้อมด้วยชันทะโดยมีปัญญามองเห็นภาวะแห่งความเกษมของชีวิตของสังคมและของทั้งโลกนี้ดังที่ได้กล่าวมานั้น